นะโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตลาดสรูร้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้น ฟังธรรมคำพุท ธ, ธะอละคัทูปมสูตตอุปมาว่าด้วยอสารพิตรมัจิมนิกายเล่มที่สิบสองข้อที่สองร้อยสีสสี่มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันรามของท่านอนาตะบินิกาเศรษฐี ก็โดยสมัยนั้นและทิฏฐิอันลามกได้บังเกิดขึ้นแก่ภิกษุชื่ออริตทธภิกขผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแรงทิฏฐิอันลามกนี้เกิดขึ้นว่าข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมะของพระผู้มีพระภาคที่แสดงแล้วโดยประการที่ธรรมะทั้งหลายที่โปร่งแสดงว่าเป็นธรรมะซึ่งทำอันตราย ธรมะเหล่านั้นไม่สามารถทำอันตรายแก่ผู้เสพได้จริงเมื่อพิกสุหลายรูปได้ยินว่าทิฐิอันลามกเห็นป่านนี้บังเกิดขึ้นแล้วแกอริตะถาิกุผู้เป็นเหล่ากอของคนข้าแรงจึงได้เข้าไปหาอาริตะถาิกสุแล้วได้กล่าวกับเธออย่างนี้ว่า ท่านอริตตาเถระผู้มีอายุได้ยินว่าทิฐิอันลามกเห็นปานนี้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านว่าตัวเองนั้นเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วโดยประการที่ธรรมะทั้งหลายซึ่งกระทำอันตรายธรรมะเหล่านั้นไม่สามารถทําอันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงอย่างนั้นหรืออริตตถะภิกษุ ผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแรง้งจึยงยอมรับว่าเป็นเช่นนั้นจริงรัต น, นแลภิสูจนเหล่านั้นพระธนาจะปลดเปลื้องอริตะทะพิคุผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแรง้งจากทิฏฐิอันลามกเห็นบปานนั้นจึงได้ซักไซไล่เลียงสอบสวนดังนี้ว่าท่านอริตะทะท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลย อย่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีหรอกเพราะพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้ท่านอริตาถะทำทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วว่าเป็นธรรมะที่กระทำซึ่งอันตรายได้โดยอเนกปริยายก็ธรรมะเหล่านั้นสามารถทำอันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงพระผู้มีพระภาค ตรัสว่าการมทั้งหลายซึ่งมีรสอร่อยน้อยมีความทุกข์มากมีความครับแค้นมากโทษในการมเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสการมทั้งหลายว่ามีอุปมากับชิ้นกระดูกมีทุกข์มากมีโทษมากมีความครับแค้นมากโทษในกรมเหล่านั้นมีอยู่อย่างยิ่งพระผู้มีพระภาค ตรัสว่ากามทั้งหลายเป็นอุปมากับด้วยชิ้นเนื้ออุปมากับด้วยคบเปลืองหญ้าอุปมากับด้วยหลุมฐานเพลิงอุปมากับด้วยของในความฝันอุปมากับด้วยของที่ยิ้มเข้ามาอุปมากับด้วยผลไม้กามทั้งหลายมีอุปมากับด้วยเขียงสับเนื้อมีอุปมากับด้วยหอกและเหลามีอุปมา กับด้วยหัวงูพิษซึ่งมีทุกมากมีโทษมากมีความคับแค้นมากโทษในกามเหล่านี้มีอยู่อย่างยิ่งดังนี้ฤทธาทะภิกษุผู้เป็นเหล่ากอของคนข่าแรงถูกภิกษุเหล่านั้นซักไซไล่เลียงสอบสวนอยู่อย่างนี้ก็ยังยึดมั่นในทิฏฐิอันลามกของตนนั่นเองด้วยกำลังแห่งทิฏฐิที่ว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วโดยประการที่ธรรมะทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมะซึ่งทมอันตรายธรรมะเหล่านั้นไม่สามารถทำอันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงก็ในการนั้นภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถจะปลดเปลื้องอริยตาภิกษุ ผู้เป็นเหล่ากอของคนข่าแรงจากทิฐิอันลามกนั้นได้จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาสแล้วนั่งอยู่นะที่ควรข้างหนึ่งได้กราบตูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทิฐิอันลามกเห็นปานนี้บางเกิดขึ้นแก่อริตาตะภิกษุผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแรงพวกข้าพระองค์ทั้งหลาย ได้ฟังดังนั้นแล้วจึงเข้าไปหาเพื่อที่จะปลดเปลื้องทิฏฐิอันลามกเห็นป่านั้นจึงซักไยไล่เลียงสอบสวนโดยกล่าวกับภิกษุอริตตะว่าการกล่าวตูพระผู้มีพระภาคไม่ดีหรอกแต่พวกข้าพระองค์ไม่สามารถจะปลดเปลื้องอริตตะภิกษุจากทิฏฐิอันลามกนั้นได้จึงเข้ามากราบทูล ความนี้แต่พระผู้มีพระภาคกรานั้นแลพระผู้มีพระภาคจึงสั่งให้ภิกษุรูปหนึ่งไปเรียกอริตาถภิกษุนั้นมาเข้าเฝ้าอริตถภิกษุเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวาอภิวาทแล้วนั่งนะที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอริตาถภิกษุนั้นว่าอริตถ ได้ยินว่าทิฐิอันลาโมกเห็นป่านนี้ได้บังเกิดขึ้นข้อนี้เป็นอย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วโดยประการที่ธรรมะทั้งหลายที่พระองค์แสดงแล้วว่าเป็นธรรมะซึ่งกระทําซึ่งอันตรายธรรมะเหล่านั้นไม่สามารถทําอันตรายแก่ผู้ช่องเสพได้จริง พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนโมคขบรุษเธอรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ต่อใครเล่าโมกขบุรุษธรรมะทั้งหลายที่เรากล่าวว่าเป็นธรรมะซึ่งกระทําซึ่งอันตรายโดยอนเนงปริยายไม่ใช่หรือก็อ น, นั่นแหละธรรมะเหล่านั้นสามารถทําอันตรายแก่ผู้ช่องเสพได้จริงเรากล่าวการทั้งหลาย ซึ่งมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความครับแค้นมากโทษในการมเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งเรากล่าวกามทั้งหลายว่ามีอุปมากับด้วยร่างกระดูกมีอุปมากับด้วยชิ้นเนื้อมีอุปมากับด้วยคบเพลิงย่ามีอุปมากับด้วยหลุมถ่านเพลิงมีอุปมากับด้วยของในความฝันมีอุปมากับด้วยของยืมเข้ามา มีอุปมากับด้วยผลไม้มีอุปมากับด้วยเขียงสับเนื้อมีอุปมากับด้วยหอกและหลาวมีอุปมากับด้วยหัวงูพิษมีทุกมากมีความครับแค้นใจมากโทษในการมเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่งโมฆบุรุษเออก็แลเธอกล่าวตู่เราขุดรากของตัวเองและประสบบาปมิใช่บุญเป็นนันมากด้วยทิฐิอันลามก อันตนถือเอาชั่วแล้วกรรมนั้นแหละจะมีแก่เธอเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์สิ้นกาละนานกระนั้ น, น, นพระผู้มีพระบ้านได้ตรัสกับ ภ, กภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนี้ไว้ยอย่างไรก็อริตตะภิกษุผู้เป็นเหล่ากอของคนข้าแรงนี้แม้จะกระทำญาณให้สูงขึ้น ในธรรมะไว้ในนี้ได้นั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความสูงแห่งยานอะไรเล่าจะบึงมีได้ก็ความสูงแห่งยานนั้นจะไม่มีได้เลยเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลอย่างนี้แล้วอริยตถาภิกษุก็เป็นผู้นิ่งเก้อเขินนั่งคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิปัน ดังนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบแล้วว่าอาริตถภิกษุนั้นเป็นผู้นิ่งเก้อเขินคอตกกลมหน้าซบเซาหมดปฏิภาณแล้วจึงได้ตรัสอย่างนี้ว่าอาริตถโมคคบุรุษเธอจะปรากฏด้วยทิฏฐิอันลาโมคของตนนั่นเองแหละเราจะสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้แล้วจึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลายแม้เธอทั้งหลายรู้ถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้โดยประการที่อริตตาตาภิกษุผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแร้งนี้กล่าวตูเราขุดรากของตัวเองประสบบาปมิใช่บุญเป็นนันมากด้วยทิฏฐิอันลามกที่ตนถือเอาชั่วแล้วอย่างนี้อย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นไม่ได้เลยพระเจ้าข้า ด้วยว่าธรรมะทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายโดยอนเนกปริยายว่าเป็นธรรมะที่กระทําอันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้ จ, จริงพระผู้มีพระภาคตรการทั้งหลายว่ามีความยินดีน้อยมีความทุกข์มากมีความขับแค้นใจมากโทษในกา ร, รมเหล่านั้นมีอยู่โดยยิ่ง พระองค์ตรัสแล้วว่าการทั้งหลายมีอุปมา ก, กับด้วยร่างกระดูกมีทุกข์มากมีความขัดแย้งใจมากการทั้งหลายเปรียบด้วยหัวงูพิษเป็นต้นดังนี้ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าดีล่ะดีล ะ, ละที่สุดทั้งหลายเธอรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้โดยประการที่ธรรมะทั้งหลาย ที่เรากล่าวแล้วว่าเป็นธรรมะกระทาซึ่งอันต ร, รายแก่ท่านทั้งหลายโดยเอเนกปริยายก็ธรรมะเหล่านั้นแหละสามารถทำอันต ร, รายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงการทั้งหลายเป็นสิ่งที่มีความยินดีน้อยมีความทุกข์มากเรากล่าวกามทั้งหลายว่าเป็นด้วยกับชิ้นกระดูกเป็นด้วยกับหัวงูพิษเออก็แล อริตัทธะภิกษุผู้เป็นเหล่ากอของคนฆ่าแรงนี้กล่าวตู่เราขุดตนเองและประสบบาปมิใช่บุญบันั้นมากโดยทิติอันลามกอันตนตืออาชั่วแล้วกรรมนั้นแหละจะมีแก่เธอผู้เป็นบุรุษเปล่าคือโมฆะบุรุษเพื่อไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์สิ้นกาลนานภิกษุทั้งหลายเธอจะเสพกรรมทั้งหลาย นอกจากกรารนอกจากกรารมสัญญานอกจากความคิดในทางกรารคือกรารมาพิตกข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้พิจารณาทั้งหลายโมฆะบุรุษบางพวกในกรณีนี้เล่าเรียนประยัติธรรมชนิดต่างๆคือที่เป็นพระสูตรเป็นคาถาเป็นต้นแต่พวกโมฆะบุรุษเหล่านั้น ครั้นเล่าเรียนธรรมะนั้นๆแล้วไม่สอดส่องไคร่กรวนเนื้อความแห่งธรรมะเหล่านั้นด้วยปัญญาเมื่อไม่สอดส่องไคร่ครวนเนื้อความด้วยปัญญาธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่ตนต่อการเพ่งพิสูจน์ของโมฆบุรุษเหล่านั้นพวกโมฆบุรุษเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมด้วยการเพ่งหาข้อบกพร่องของธรรม หรือลทัลทธิใดลัทธิหนึ่งและมีความคิดที่จะใช้เป็นเครื่องทาลายลทัลทธิใดลัทธิหนึ่งเป็นอ น, นิสงส์ผู้รู้ทั้งหลายเล่าเรียนพระปริยัติธรรมเพื่อกุณประโยชน์อันใดพวกโมฆะบุรุษเหล่านั้นหาได้รับกุณณประโยชน์อันนั้นแห่งธรรมะใหม่ธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นก็กลายเป็นธรรมะที่โมฆะบุรุษเหล่านั้น ถือเอาไม่ดีเป็นไปเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เขาตลอดกาลนานข้อนั้นประเหตุไว้เล่าเพราะความที่ธรรมะทั้งหลายอันโมฆะบุรุษเหล่านั้นถือเอาไม่ดีเป็นเหตุปีสุตหลายเปรียบเหมือนผู้มีความต้องการใครใ่จะได้งูเที่ยวสาะหางูอยู่บุรุษนั้นครั้นเห็นงูตัวใหญ่ ก็เข้าจับงูนั้นที่ตัวหรือที่หางอสรพิษตัวนั้นก็จะปึงกับฉกเอาที่มือหรือแขนหรืออวัยวะแห่งใดแห่งหนึ่งของบุรุษนั้นบุรุษนั้นก็จะถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะการฉกเอาของอสรพิษนั้นเป็นเหตุก้อนนั้นปเป็นเหตุไรเล้วเพราะความที่บุรุษนั้นจับงูไม่ดี คือไม่ถูกวิธีฉันใดฉะ น, นั้นส่วนกุลบุตรบางคนในกรณีนี้เล่าเรียนปริยัติธรรมนานาชนิดคือที่เป็นพระสูตรเป็นคาถาหรือเป็นไวยากรณ์เป็นต้นกุลบุตรเหล่านั้นครั้นเล่าเรียนธรรมะนั้นๆแล้วก็สอดส่องไข่กลัวนเนื้อความแห่งธรรมะนั้นๆด้วยปัญญา เมื่อสอสองใครก้กรวนเนื้อความด้วยปัญญาอยู่ธรรมะเหล่านั้นก็ย่อมตนต่อการเพ่งพิสูจน์ของกุลบุตรเหล่านั้นกุลบุตรเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมะด้วยการไม่ได้เพ่งหาข้อบกพร่องของธรรมหรือลทัลทธิใดลัทธิหนึ่งและไม่ได้มีความคิดที่จะใช้เป็นเรื่องทาลายลทัลทธิใดลัทธิหนึ่งเป็นอ น, นิสงส์ผู้รู้ทั้งหลาย เล่าเรียนปริยัติธรรมเพื่อคุณประโยชน์อันใดกุลบุตรเหล่านั้นก็ได้รับคุณประโยชน์อันนั้นแห่งธรรมธรรมะเหล่านั้นก็กลายเป็นธรรมที่กุลบุตรเหล่านั้นถือเอาด้วยดีเป็นไปเพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแกกุลบุตรเหล่านั้นนั่นเองตลอดกาลนานข้อนั้นประเหต์รายเล่า เพราะความที่ธรรมะทั้งหลายอัน้นคุุบุตรเหล่านั้นหรือเอาด้วยดีเป็นเหตุเปรีบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการใคร่จะได้งูเที่ยวสะแสวงหาอยู่บุรุษนั้นครั้นเห็นงูตัวใหญ่จึงเอาท่อนไม้มีง่ามดังเท้าแพะกดงูนั้นให้เป็นการถูกกดไว้อย่างดี แต่แล้วจึงจับงูนั้นที่คออย่างมั่นคงแม้งูตัวนั้นจะพึงรัดเอามือแขนหรืออวัยวะแห่งใดแห่งหนึ่งของบุรุษนั้นด้วยลำตัวของมันก็ตามทีแต่บุรุษนั้นก็ไม่ตายหรือไม่ต้องรับทุกข์เจียนตายเพราะการรัดเอาของงูนั้นเป็นเหตุก อ, อนันประเหตุไยเล่าเพราะงูตัวนั้น ถูกจับไว้อย่างมั่นคงดีแล้วเป็นเหตุฉช่นในก็เชนนั้นเปรียญนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงทราบถึงความหมายแห่งคำพูดอันใดของเราพึงจดจำข้อนั้นโดยประการนั้นถ้าพวกเธอยังไม่เข้าใจเราจะทบทวนในข้อนั้นแก่เธอทั้งหลายหรือพวกเธอเอาไปสอบถามภิกษุผู้ฉลาดก็ได้ เราจะแสดงธรรมะที่มีอุปมากับด้วยแพรทั้งหลายแก่พวกเธอเพื่อต้องการสลัดออกไม่ใช่เพื่อต้องการจะยึดถือพวกเธอทั้งหลายจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวเปรียบเหมือนบุรุษผู้เดินทางไกลไปพบแม่น้ำใหญ่ฝั่งข้างนี้ก็เต็มไปด้วยอันตรายน่ารังเกียจน่ากลัวฝั่งข้างโนนปลอดภัย แต่ว่าเรือหรือสะพานสำหรับข้ามไปไม่มีเพื่อจะข้ามไปเขาใกล้กรวนเห็นเนตรนี้แล้วจึงคิดสื่อไปว่าอยากนั้นเลยเราพึงรวบรวมหญ้าแห้งไม้แห้งกิ่งไม้และใบไม้มาผูกเป็นแพรแล้วพยายามเอาไปกับด้วยมือและเท้าก็จะพึงข้ามไปได้โดยสวัสดีบุรุษนั้นกลั้นทำดังนั้น และข้ามไปโดยสบัสดีแล้วก็ลังเลว่าแผ่นนี้มีอุปการะแกเราเป็ น, นั้นมากถ้าเช่นไหนเราจะทูนไปด้วยสีรระหรือแบกไปด้วยบาพาไปด้วยกันหนังนี้พี่สุตนายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบรุตรนั้นจะทำอย่างนั้นเชียวหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นหาไม่ได้ประชจาข้าพี่สุตนายถ้าอย่างนั้น เขาจะพึ่งคร่ามันขึ้นบกหรือปล่อยให้ลอยไปในน้ำส่วนตัวเขาเองก็หลีบไปตามปรารถนาเท่านั้นเองไม่ใช่หรือข้อนี้ฉันในธรรมะที่เราแสดงแล้วก็เพื่อรื้อถอนตนออกจากทุกไม่ใช่เพื่อให้ยึดถือเอาไว้เปรียบด้วยพ่วงแพรก็ฉันนั้นเหมือนกันพวกเตั้งหลายผู้ได้ฟังทมอันเราแสดงแล้ว อันปเปรียบด้วยพ่วงแพรควรละรมทั้งหลายเสียจะป่วยกล่าวไปทําไมถึงสิ่งที่ไม่ใช่ทำปีิาจทั้งหลายเหตุแห่งทิฏฐิหประการเหล่านี้มีอยู่6ประการเป็นอย่างไรเล่าคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้า ไม่ได้รับการแนะนำในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่เห็นสัตว์บุุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตว์บุตรไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตว์บุุษย่อมพิจารณาเห็นรูปว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมพิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรา ย่อมพิจารณาเห็นสัญญาเห็นสังขารทั้งหลายว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมพิจารณาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพะและธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งแล้วถึงแล้วแสวงหาแล้วใคร่กรว่นแล้วด้วยใจอยู่ว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรา ย่อมพิจารณาเห็นเหตุแห่งทิฏฐิว่านั่นโลกนั่นอตตาในประโลกเรานั้นจะเป็นผู้เที่ยงผู้ยั่งยืนเป็นผู้คงที่ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจะตั้งอยู่เสมอด้วยความเที่ยงอย่างนี้ว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราภิกษุตองหลายส่วนอริยาสาวกผู้มีการสลับ เป็นผู้เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าได้รับการแนะนําดีแล้วในธรรมะของพระอริยเจ้าเป็นผู้เห็นสัตว์บุรุษฉลาดในธรรมของสัตว์บุรุษได้รับการแนะนําดีแล้วในธรรมะของสัตว์บุรุษย่อมพิจารณาเห็นรูปว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา ย่อมพิจารณาเห็นเมตนาสัญญาและสังขารว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราย่อมพิจารณาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะและธรรมารมว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเธอผู้ที่พิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมไม่สะดุ้งในเพราะสิ่งที่ไม่มีอยู่เมื่องพระผู้มีพระภาคได้ตรัสรัตนนี้แล้วมีภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลถามว่าถ้าแต่พระผู้เจริญเมื่อความพินาศแห่งบริการในภายนอกไม่มีความสะดุ้งพึงมีหรือน้อยแลภิกษุพึงมีได้เพราะบุคคลบางคนในโลกนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่า สิ่งนั้นได้มีแกเราหนอสิ่งนั้นย่อมไม่มีแก่เราหนอสิ่งนั้นพึงมีแก่เราหนอเราไม่ได้สิ่งนั้นหนอบุคคล น, นั้นยอ่อมเศร้าโศกรำให้คร่ำครวญตีอกชกตัวถึงความเป็นผู้มุนงงคลั่งเพ้อภิกษุกเมื่อความพินาศแห่งบริการในภายนอกไม่มีความสะดุ้งย่อมมีได้ด้วย อ, อาการอย่างนี้ ้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อความพินาษแห่งบริคารในภายนอกไม่มีความไม่สะดุ้งพึงมีได้นั้นหรือภิกษุข้อนี้พึงมีได้เพราะ บ, บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีความเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งนั้นได้มีแล้วแกเราหนาสิ่งนั้นย่อมไม่มีแกเราหนาสิ่งนั้นพึงมีแกเราหนาเราไม่ได้สิ่งนั้นหนอบุคคลนั้นย่อมไม่เศร้าโศก ไม่ลำบากไม่รำ่ำไห้ไม่คร่ำครวญไม่ตีอกชกตัวไม่ถึงความเป็นผู้มึนงงหลงไหลภิกษุเมื่อความพินาาแห่งบริการในภายนอกไม่มีความไม่สะดุ้งย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อความพินาาแห่งบริการในภายในไม่มีความสะดุ้งจะพึงมีได้อย่างนั้นหรือ ดูก่อนภิกษุข้อนี้พึงมีได้เพราะบุคคลบางคนในโลกนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่านั่นโลกนั่นอตตาในประโลกแล้วนั้นจะเป็นผู้เที่ยงผู้ยั่งยืนผู้มั่นคงเป็นผู้คงที่ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจะตั้งอยู่เสมอด้วยความเที่ยงอย่างนั้นบุคคลเหล่านั้นย่อมฟังต่อตถาคตหรือสาวกของตถาคต ผู้แสดงทําอยู่เพื่อถอนขึ้นซึ่งทิฏฐิเหตุแห่งทิฏฐิความตั้งมั่นแห่งทิฏฐิความกลัดกลุ่มด้วยทิฏฐิและเชื้อแห่งความยึดมั่นทั้งหมดเพื่อระ ง, งับสังขารทั้งหมดเพื่อสละคืนซึ่งความยึดถือทั้งหมดเพื่อความสิ้นตัณหาเพื่อความสารอกเพื่อความดับเพื่อนิพันบุคคลมีความเห็นอย่างนี้ว่าเราจะขาดสูตรแน่แท้ จะชิบหายแน่แท้จะไม่มีแน่แท้บุคคลนั้นย่อมเศร้าโศกลาบากรำให้กระมครวญทุบบกชกตัวถึงความเป็นผู้เงินงงคลั่งเพอ้อดูก่อนภิกษุเมื่อความพินาศแห่งบริการในภายในไม่มีความสะดุ้งย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อความพินาศแห่งบริการในภายในไม่มี ความไม่สะดุ้งพึงมีได้อย่างนั้นหรือดูก่อนภิกษุข้อนี้พึงมีได้เพราะบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีความเห็นอย่างนี้ว่านั่นโลกนั่นอัตตาในบระโลกเราจะเป็นผู้เที่ยงผู้ยั่งยืนไม่มีความเห็นอย่างนี้ว่าเราจะเป็นผู้คงที่มีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาไม่มีความเห็นว่าเราจะตั้งอยู่เสมอ ด้วยความเที่ยงอยู่อย่างนั้นบุคคลนั้นเมื่อได้ฟังต่อตาคตหรือสาวกของตาคตผู้แสดงธรรมอยู่เพื่อถอนขึ้นซึ่งทิฏฐิแหตงแห่งทิฏฐิความตั้งมั่นแห่งทิฏฐิความกลัดกลุ้มด้วยทิฏฐิและเชื้อแห่งความยึดถือทั้งหมดเพื่อระ ง, งับสังการทั้งหมดเพื่อความสลักคืนซึ่งอุปธิทั้งหมดเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหา เพื่อความกลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อนิพานบุคคลนั้นก็ย่อมไม่มีความเห็นอย่างนี้ว่าเราจะขาดสูญโดยแน่แท้เราจะชิบหายโดยแน่แท้เราจะไม่มีโดยแน่แท้บุคคลนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่ตีอกร่ำให้ไม่ถึงความเป็นผู้ลุ่มงงคลั่งเพอวิสุท เมื่อความพินาแห่งบริการในภายในไม่มีความไม่สะดุ้งยอ่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิสุทธ้งหลายเธอทั้งหลายพึงกําหนดถือเอาเครื่องบริการที่ควรกําหนดถือเอาซึ่งเป็นของเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาตั้งอยู่เสมอด้วยความเที่ยงอย่างนั้นเธอทั้งหลายย่อมเห็นเครื่องบริการที่ควรกําหนดถือเอา ซึ่งเป็นของเที่ยงอย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ไม่เห็นเครื่องบริการที่ควรกําหนดถือเอานั่นเลยพระเจ้าข้าดีละ่ะพิสุทธิ์ท้งหลายเราก็ยังไม่พิจารณาเห็นเครื่องบริการที่ควรกําหนดตือเอาซึ่งเป็นของเที่ยงของยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรเปลีนเป็นธรรมดารัางอยู่เสมอด้วยความเที่ยงอย่างนั้นเลย พวกเธอทั้งหลายพึงเข้าไปยึดถืออัตวาทุปาทานซึ่งไม่เป็นที่บังเกิดของความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความรับแค้นใจทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นอตวาทุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนซึ่งไม่เป็นที่บังเกิดของความโศกความร่ำไรลำพันธ์อย่างนั้นบ้างหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์ไม่เห็นความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนซึ่งจะไม่เป็นที่บังเกิดแห่งความโศกความรำมลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความครับแค้นใจเลยพระเจ้าดีละพิสุท์ั้งหลายแม้เราก็ยังไม่พิจารณาเห็นความยึดถือในตัวตนใดซึ่งจะไม่เป็นที่บังเกิดแห่งความทุกข์ต่างๆเลยพวกเธอทั้งหลายจะปึงอาศัยทิฏฐินิสัย ซึ่งไม่เป็นที่บังเกิดขึ้นแห่งความโศกความ ร, ร่ํารลาพันธ์ความทุกข์ทั้งหลายอย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เชิญพวกข้าพระองค์ไม่เห็นทิฏฐินิสัยซึ่งจะไม่เป็นที่บังเกิดแห่งความโศกความ ร, ำร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นเลยพระเจ้าข้าดีละพิกษุท์ทั้งหลายแม้เราเองก็ไม่พิจารณาเห็นทิฏฐินิสัย ซึ่งจะไม่เป็นที่บังเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ทั้งปวงเลยผิสุดนตรงหลายอนหนึ่งเมื่อบริคารเนื่องโดยอัตตามีอยู่อัตตาพึงมีว่าของเราเมื่ออัตตาและบริการที่เนื่องด้วยอัตตาที่บุคคลถือเอาไม่ได้โดยความเป็นของจริงโดยความเป็นของแท้เุแห่งทิฏฐิที่ว่านั่นโลกนั่นอัตตาในประโลก เรานั้นจะเป็นผู้เที่ยงผู้ยั่งยืนไม่แปรปรวนข้อนี้เป็นภารลธรรมบริบูรณ์สิ้นเชิงมีใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงพระเจ้าข้าข้อนั้นเป็นพาระธรรมบริบูรณ์สิ้นเชิงทีเดียวพระเจ้าขี่สุดต้งหลายพวกเธอสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า เป็นทุกข์พระโชก้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแรปรปรวนเป็นธรรมดาหัวแล้วหรือที่จะตาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นเลยประโชก้าปิกส์ต้งหลายพวกเธอจะสําคัญความข้อนี้ว่ายอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระเจ้าคา่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเ่าเป็นทุกข์พระเจ้าคา่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนี้ไม่ควรเห็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าคา่ะพิ่สุตรองหมายประเดนนั่นแลรูป เบตนาสัญญาสังขารและวิญญาณยังได้อย่างหนึ่งที่เป็นไปในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันที่เป็นภายในหรือภายนอกยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามรูปเบตนาสัญญาสังขารและวิญญาณทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายบึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพิษุทั้งหลายอริยะสาวกผู้ที่ได้สับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปเบื่อนายทั้งในเวทนาเบื่อนายทั้งในสัญญาเบื่อนายทั้งในสังขารและเบื่อน่ายทั้งในวิญญาณ เมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดย่อมหลุดพน้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็มียาญอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วแต่ย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพระมาจันได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกปิสาจหลายบุคคลผู้นี้ เรากล่าวว่าผู้มีลิ่มคืออวิชาอันยกขึ้นแล้วดันงนี้บ้างเรียก ว, ว่าผู้มีเครื่องแวดล้อมคือกรรมาพิสังขารอันรื้อเสียแล้วดันงนี้บ้างเรียก ว, ว่าผู้มีเสารเนียตคือตันหาอันถอนขึ้นแล้วดันงนี้บ้างเรียก ว, ว่าผู้ไม่มีบานประตูคือสังโยชน์ดันงนี้บ้าง รกถูปมสูตรจบฟังธรรมคำพุทธ